รับฟังเสียงเล่าความเป็นมาของวัวปานวัดบอานโคท <C le af> างคณะดนตรีเขาก็บอกว่าอยากจะเปิโคมประกอบก็ไม่ใช่ปโคมประกอบเขาจะสลับขั้นจะป้องกันความลำคาญของบรรดาท่านพุทธบริษัทเพร <C le af> าะ่คนหลายคนมีว่าอยากฟังพูดบ้างแล้วก็อยากฟังเพลงบ้าง ก็าเพลงเรื่องของคนแก่นิบนาธานพถุบริษัทแล้วก็เรื่องของคนที่ตายเวลเพระเวลานี้เป็นเวลาครบรอบร้อยปีเกิดครุพ่อปานแล้วก็ครบรอบร้อยปีตายครูพ่อปานขอโทษเ็าจะมีเวลาตายครงพ่อปานสินด้วยเพื่อแตมาเองก็ไม่ทราบว่าท่านเกิดบันไหนเดือนไหนกันแน่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 ถ้าคิดอย่างนี้องค์สมเด็จพระบรมโลกาเชษฐ์ตรงแนะนำบอกว่าเชิญลงนรกตามสบายนี่เป็นอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสนเรการหน่งความปรารถนาในความร่ำรวยจงอย่ามีเกี่ยวกะเวลาที่จะบ้านเขาจะ ถ, า ถ, า ถ, า ถ, าถาวายจะตกประใจเขาบอกว่าเอาไปใช้สมงคนกับสมณะบริโภค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 เนื่องในองค์สมเด็ดเพจพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีบทบัญญัติไว้ว่าที่สุย่อมไม่รับรูปิยะอันเนื่องในเงินได้ทองด้วยมือของตนถ้ารับมาแล้วปรับเป็นอาบัติของเป็นนิสสคีคือใช้ไม่ได้ให้โยนทิ้งไปตัวเองเป็นอาบัตบาจิตีคือจิตเป็นบาทปรับเป็นโทษ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 แในพระโบสดเก่าอยู่ตรงกับจะดีออกไปทางด้านทิตตะวันออกแต่ถ้าว่าเวลานี้บวดเก่าก็ไม่มีกุฏิเก่าก็ไม่เหลือสำหรับกุฏิเก่าเนี่ยาตมาเคยอยู่สมัยนั้นมีอยู่สามสี่หลังเคยรู้สภาพก็เคยเห็นสภาพของกุฏิ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 ท่านยิ้มแย้มจ่มใสเป็นอันดีท่านแดงว่า จ, จริยาววชอันนี้ที่ท่นานให้อภัยกระบุคคลผู้ผิจจัดเป็นภภอภัยทานสมกติองค์ที่ท่านเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระวิชิตามานบรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าอะไรบรรดาแานพุทธบริษัทผู้รับฟังวงดนตรีเข้าหันมามองดูหน้า